คำว่าทำมีอยู่นั้นมีอยู่หรือมีมาดั้งเดิมมีอยู่ตลอดเวลาอากาศโง่ท่านว่าทำมีอยู่เหมือนสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ดินน้ําลมไฟอากาศเป็นต้นมันมีอยู่ก็มีอยู่อย่างนั้น มีเครื่องสัมผัสรับทราบก็ทราบกันได้โดยลำดับนอกจากมันมีเครื่องรับทราบเท่านั้นคำว่าทรมีอยู่ข้องเหมือนกันไม่ใช่ทาความจำจำมาจากตำลับตำราจำมาจากครูบาอาจารย์ท่านสอนจำได้ อันที่เป็นเป็นอันเป็นภาพ ค, ความจํานั้นไม่ใช่ความสัมผัสธรรมความสัมผัสธรรมความปรากฏธรรมจะสัมผัสและปรากฏขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นทมในความจําจึงเป็นประเภทหนึ่งเป็น ทำในความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นเป็นประเภทหนึ่งเบื้องต้นอาศัยทาความจํานี้ก่อนพอเป็นพื้นเป็นฐานเป็นแนวทางเช่นอย่างครูอาจารย์หรืออุปชาท่านสอนมอบอาวุธอันสําคัญให้คือเกษารมานะข า, า, า, า, าตันตาตะโจนี่ ให้เอาไวไ้พินิดพ์ี่เจรนาเราจําได้แล้วจากอุูพระอาจารย์หรือฟังเทศจากครูจากอาจารย์เราจําได้มีนี่เป็นเรียกว่าเป็นภาคความจําไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ทำประจักษ์ใจเป็นความจําต่างหากประจักษ์ใจความจําได้เท่าไรมากน้อยเท่างไหร่ไม่สามารถที่จะถอดถอน เลตออกได้เลยเป็นแต่เพียงความจําอยู่เท่านั้นภาคปฏิบัติต่างหากซึ่งสืบเนื่องไปจากความจําที่เรียกว่าปริยัตที่ศึกษาจดจํามาแล้วแล้วนําความจดจํานั้นไปปฏิบัติดําเนินตามเข็มทิศทางเดินของตําราของธรรมคือความจํานั้นแล้วปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเอง เช่นท่านสอนว่าเกศาลมานัาธันตาแตโจในธรรมบทใดก็าตามที่ถูกจริตของเราเรานำมาเป็นคำบริกรรมพิจารณาคร่ครวรในอาการเหล่านี้จนปรากฏขึ้นมาเห็นไปตามความจริงที่ท่านสอนนั้นจนกลายเป็นจิตสงบขึ้นมาในขณะที่ภาวนาที่ท่านเรียกว่าทมปรากฏ เป็นสมาธิธรรมเริ่มจิตเริ่มปรากฏเป็นความสงบเห็นใจมากน้อยเรียบว่าธรรมได้เริ่มสันติธรรมเรียบว่าได้เริ่มสงบมากน้อยเป็นลําดับําดาอจนถึ ง, ถงความละเอียดของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตจภาวนาของเรา มันก็เรียกว่าทำเกิดทำปรากฏทำสัมผัสใจเมื่อทำในเบื้องต้นในสัมผัสแล้วก็เป็นพื้นเป็นฐานหรือเป็นต้นถุนที่จะขวนขวายเพื่ออาจเพื่อทำขั้นละเอียดไปยิ่งกว่านั้นคือขั้นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดความอ่านใจตรอง ในเบื้องต้นก็ต้องพาคิดพอาอ่านใส่ตจริงเสยก่อนแม้ได้มีสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วยังต้องได้ใช้ความบังคับบัญชาให้พิจารณาคลี่คลายกิลน์ตั้งหลายเช่นเจืสาลุมานาขาสันตาแตโจเป็นต้นที่เคยบริกรรมหรือที่เคยปินีปีนา ม, มานั้นเป็นอย่างไรที่อุปชัยยะท่านมอบให้นั้นความกิลแท้เป็นอย่างไร เพราะสิ่ง น, น, นี้มีอยู่กับทุกคนมันไม่น่าสงสัยถ้าตามหลักความจริงแล้วแต่มันก็ติดมันกงกันข้ามไปเสียติดหมดอาการทั้งห้ารูปหรือเกศาลุมานะคะาคาลันตาตดจุมันเป็นกองรูปมันติดไปหมด นี่เป็นหลักธรรมชาติของฝ่ายต่ำซึ่งฝังจมอยู่ภายในใจิตใจให้เชื่อบังคับให้เชื่ออยู่ในตัวของมันเองบังคับให้ยึดให้ถืออยู่ในตัวของมันเองโดยที่เราไม่สามารถจะทราบความจริงจากมันได้แม้แต่น้อยเลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำตามหลักทำที่พระพุทธเจ้าสงสอนไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนในเบื้องต้นว่า เจษฎาลุมานะะักขาธันตาตะจูแกนักบวชไม่ว่าสามมันเน้นไม่ว่าเป็นพระให้จะบริกรรมคำนั้นก็บริกรรมหรือจะคลี่คลายดูสิ่งที่บริกรรมนั้นเป็นเจษฎาลุมาเป็นต้นดูดูตามลักษณะตามที่อยู่ที่เกิดของหมันที่อยู่ของหมันเป็นยังไงมันน่ารัก น่าชอบใจน่าติดไหมเหตุใด จ, ดจิตจึงติดอนทักเอาหนาติดจนกระทั่งไม่สนใจที่จะแกะกันแยกกันออกเลยถือทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราทั่วโลกดินแดนถือกันอย่างนั้นเพราะอำนาจของกิเลสมัดจิตใจให้ติดพันกับสิ่งเหล่านี้อันเป็นความต่ําสามของมันเองแต่เลยกลายเป็นเรื่องความสูงไปสําหรับความหลงของใจเรา จึงต้องได้พิจารณาคลี่คลายดูนี่นี่แหละเริ่มปัญญาเมื่อคลี่คลายเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยถือเป็นการเป็นงานเป็นความเพียรประจำชีวิตของนักบวชย่อมจะทราบตามความจริงได้โดยลำดับถึงจะช้าหรือเร็วไม่สำคัญ สำคัญต้องทราบความจริงไปโดยลำดับตามที่ท่านสอนไว้แล้วนี่เรียกว่าปัญญาเกิดปัญญาเกิดย่อมจะเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งความรักความชังในวัตถุอารมณ์ตั้งหลายได้โดยลำดับจึงเรียกว่าปัญญาปัญญานี้เกิดขึ้นจากภาพปฏิปัติ เมื่อปรากฏทางภาคปฏิบัติแล้วย่อมจะสนัดปัดทิ้งกันออกโดยลำดับเช่นคลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นเมื่อรู้ชัดแจ้งแล้วจะยึดจะถือไว้ได้อย่างไรความยึดความถือความสำคัญว่าสกุลกายทั้งหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมมีอยู่ภายในกายนี้ ย่อมถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ทั้งสิ่งมันถือได้อย่างไรเราก็ไม่ทราบว่ามันถือได้อย่างไรแต่มันก็ถืออย่างนั้นมาโดยหลักธรรมชาติเท่าันไม่ต้องมีโรงนรําโร ง, ง, ง, งเรียนสอนกันเพราะจิเลตเป็นตัวครูเอกอยู่แล้วมันสอนอยู่ทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวสอนให้คิดเรื่องนั้นสอนให้คิดเรื่องนี้สอนให้ยึดให้ถือมันสอนมันแนบมันสนิทติด ก, กันอยู่เช่นนั้น เราไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละ ว, วิชาของไฟต่ำซึ่งเป็นค่าศึกของธรรมของจิตมันเป็นอยู่อย่างนี้ทุกพบทุกชาติทุกดวงวิญญาต <c oughs> มันมีอยู่ของของมันเองเราจะหาเรียนวิชาไหนมาแก้มาปลดมาคลี่คลายมาแยกออกจากจิตระหว่างจิตกับจริงตามตามที่มันแทรกซึมกันอยู่นี้ เราจะทำอย่างไรมันถึงจะออกได้ไม่มีวิชาใดมีวิชาเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสัางสอนคือความดีเอาพูดวงกวง้างๆไดจแก่การบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็น อ, ปอุปกรณ์แต่และอย่างละอย่างเป็นเครื่องสนับสนุนกันเข้าไปการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่เหล่านี้แหละ ที่จะทําให้รู้ให้เห็นให้แยกแยะได้สุดท้ายก็ไหลรวมลงไปสูย่ยิตตะภาวนายิตตภาวนาก็ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเพราะคําภาวนาของตนหรือเพราะการภาวนาของตนจะภาวนาด้วยทำบทใดก็ตามมีสติจดจ่อต่อเนื่องกับงานของตนอยู่โดยสม่ําเสมอ นั่นท่านจิตย่อมสงบได้ไม่นอกเหนือไปจากสติเครื่องบังคับนี้ได้เลย <c oughs> นี่เขาเป็นวิชาอันหนึ่งที่จะให้เริ่มให้รู้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานัน่นที่ว่าหลงหลงยึดยึดมันหลงเพืุออะไรๆนี่แหละขั้วแรกที่จะเริ่มเข้าไปรู้ความหลงความยึดความสําคัญของตนและในขณะเดียวกันจะหลง เราจะได้ทราบคนมายาของกิเลสประเภทต่างๆที่มันแทรกมันสิงอยู่ในความคิดความปรุงเพราะมันอยู่กับดวงใจยอยู่แล้วอาการของจิตที่แสดงออกมาในอาการใดจึงเป็นเรื่องความพวกคุมลืกความผลักดันของมันที่พาให้แสดงออกมาทั้งนั้นทำจริงไม่มีโอกาสที่จะแสดงขึ้นมาได้ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นใครอยากจะอยากมาเกิดในกองทุกข์ความทรมาร ถ้าจะอยากทุกข์ในโลกอันนี้แม้แต่สัตว์ก็กลัวกันทั้งนั้นกลัวทุกข์กลัวล้มกลัวตายมนุษย์เราทำไมจะไม่กลัวแต่มันก็จําเป็นทั้งๆ ท, ที่กลัวอยู่นั่นแหละมันก็เป็นทุกข์ให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเกิดที่ตรงไหนก็คือความทุกข์กี่ตรงนั้นกี่ภพ ก, กี่ชาติเพราะอํานาจแห่งที่เหลืพาให้เกิด ก็คือความแบกทุกข์อยู่ทุกทุกทุกชาตินั่นแหละนีเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จึงต้องอาศัยวิธีการดังที่แสดงมาคือจิตตะปะหาหนานี่เป็นภาคกลมควา้าเป็นภาควินิจฉัยไข้ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นตาหลับความจริงที่มันเป็นไปอย่างไรฝ่ายต่ําพาให้เป็นไปอย่างไรธรรมคือฝ่ายสูงเด็กพิจารณาตามนั้น จิตที่ไม่เคยสงบก็สงบภายในใจจิตสงบย่อมไม่ถามใครหากรู้เองมันผิดแปลกสิ่งทั้งหลายเราไม่เคยรู้ก็ตามเพราะจิตได้ยามเข้าสู่ความสงบแล้วย่อมทราบในตนเองเมื่อสงบท่านก็สอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายดูทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอวัยวะ อาการของอวัยวะทุกส่วนก็ได้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามขอให้ถ น, นัดภายในใจเถอะหากจะลุกลามไปหมดเพราะเป็นสัจ ธ, ธรรมคือความจริงอันเดียวกันเหมือนกันการพิจารณาคลี่คลายไปโดยลำดับลำนาบนี้แนะ่ะคือทางเดินของปัญญาทางเดินของธรรมที่จะเกิดขึ้นโดยลาดับเกิดขึ้นในแบบนี้นะ แต่เราต้องระวังส่วนมากไม่ทราบไยต่า ม, มันแทรกในวงความเพียนของเรามันเราไม่ทราบได้ไทั้งๆที่ทำความเพียนอยู่นั่นแหละมันคอยขุดคอยลากคอยกระซิบกระซาบไปตามแถวแนวทางของมันจนได้เดี๋ยวก็ะล่มเหลวเลี้ยวกรล่มเหลวนี่ถ้าเราทราบว่าความกระซิบกระซาบความถักความดันของมัน ที่มันแสดงอยู่ทุกระยะนั้นว่าเป็นไัยว่าเป็นโทษแล้วใครจะไปนอนใจกับมันนักหนาเราวนี่เกิดมาวันใดตื่นขึ้นมาวันใดเป็นมืดเป็นแจ้งมากี่ปีกี่เดือนจนมาช่างถึงบัดนี้และได้มาบวชในสสาศาสนาว่ามาศึกษาแล้วเรียนมาประพฤติปฏิบัติก็ยังไม่พ้นทิ่งไ้มันกล่อมหม้อใจมัเป็นได้นี่สิแต่ว่ามันมันหยากก็ยังไง ละเอียดขนาดนั้นละ่ะไฟต่ําที่เป็นค่าสิทธิของธรรมยิงต้องในใช้อุบายพิิจพิจารณากันอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถสติมีเท่าไรตั้งลงไปปัญญามีมากมีน้อยแค่ไรฝึกหัดค้นคิดพินิจพิจารณาลงไปให้เห็นตามควา ม, วามจริงนแล้วธรรมก็เกิดขณะทันว่าธรรมเกิดพอเข้าใจในสิ่งใดตามหลักความจริงแล้ว เช่นเข้าใจในสกุลกายจะเป็นฝ่ายอจุภะคือความปฏิปูนโสโครกก็ดีจะเป็นฝ่ายอนิจังทุกขังอนัตตาส่วนได้ยางได้อย่างหนึ่งก็ดีนี่ก็เรียกว่าทําเกิดทําเกิดขึ้นมาโดยรังดับรัดาเข้าใจเข้าใจนี่ทางที่จะให้รู้เรื่องของสิ่งพัวพันภายในจิตใจจนกระทั่งถึงถอดถอนออกได้คือกิจตภาวนาเป็นยอดแห่งการบาเพ็ญทั้งหลาย ในบรรดาความดีการอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาทแต่ละครั้งละคราวต่อหมู่ต่อเพื่อนมั้นมีความหวังอย่างยิ่งมีความหวังอย่างเต็มใจที่อยากจะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้โดยที่พระองค์ทรงได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยสมบูรณ์แล้ว แล้วนำทำทั้งเหตุทั้งผลที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงปฏิบัติมาแล้วนั้นประมาประกาศสอนโลกธรรมเหล่านั้นไม่เป็นธรรมที่น่าสงสัยไม่เป็นธรรมที่ผิดพลาดอะไรเลยเป็นธรรมที่ถูกต้องตรงแท้ไม่มีอะไรเสมอเนี่ยผู้สอนก็สอนเป็นโสคารตธรรมจัดไม่ชอบทุกอย่างมันสําคัญที่ผู้ปฏิบัติตามเลยมันไม่ มันไม่ปฏิบัติตามสวดคาตธรรมมันพลิกตรรปัดกลับกันไปตรงกันข้ามไปเสียผลจึิงไม่ค่อยเกิดหรือไม่เกิดเมื่อเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตการผู้สัมผัสธรรมคืออะไร ได้อธิบายแล้วคือใจเราพูดสรุปลงมาก็คือสมะสมะธรรมนิปัสสนาธรรมจากนั้นก็ถึงมิมุตหบุตรพ้นมิมุติธรรมไปโดยลำดับธรรมที่กล่าวเหล่านี้ไม่นอกเหนือไปจากใจผู้ที่จะรับผลผัสหรือผู้จะรับรู้ด้วยภาคปฏิบัติของตน เราอย่าได้คาดได้หมายว่าสถานที่นั่นทําจะเกิดสถานที่นี่ทําจะเกิดเวลาโน้นทําจะเกิดเวลานี้ทําจะเกิดเราอย่าคาดจะหมายไปมันไม่ทันกับปมายาของกิเลสที่หลอกลวงเราเพราะอาการเหล่านั้นมันเป็นความแทรกสิงของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยกิเลสมันอยู่ที่ไหนนี่ให้ปักลงไปกิเลสอยู่ที่จิตนะบงการอยู่ที่จิต กิเลสสอนเราให้โง่ตัวกิเลสต้องฉลาดที่สุดภายในจิตครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลามีความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาทัทนาความเพียรอย่างลงสู่จิตซึ่งเป็นที่สถิตหรือที่ฝังจมอยู่แห่งกิเลสทั้งหลายให้เป็นที่เข้าใจว่าทําอยู่ที่ตรงนี้กิเลสปิดทำไม่ปราบกดทำเปิดกิเลสออก มากน้อยเพียงไรก็จะปรากฏธรรมมากน้อยเพียงนั้นเหมือนกับสถานที่นี่มันมืดเปิดไฟขึ้นสถานที่นี่ก็แจ้งเองสว่างเองแรงไฟมีกําลังมากน้อยเพียงไรก็จะรู้กันนี่จะกำลังของสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรก็จะทราบกันภายในจิตใจดวงนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยการปฏิบัติธรรม ยาลดหย่อนอ่อนข้ อ, อยาถือวันถือเวลาถือสถานที่มาเป็นเครื่องอ้างอิงพึ่งพิงซึ่งเป็นเครื่องหอลอกรวงตนเปล่าไอ้ถือความเคลื่อนไหวของจิตสติติดแนบอยู่กับใจปัญญาควรจะใช้ในการใดเวลาใดให้ใช้ไม่ต้องอ้างไม่การสถานที่เวลาใดใด สมกับกิเลสมันสังจมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันการแก้การถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึ์ต่อใจย่อมจะแก้ลงได้ในจุดเดียวกันไม่เป็นที่สงสัยให้ในทราบบ้างทสิว่าทําเกิดทําเกิดตามที่สอนท่านสอนไว้นั้นว่าทําเกิดทําปรากฏปรากฏที่ไหนในพูดแล้วว่าความจําไม่ใช่ทําเกิด ความจำคือความจำเกิดเฉยๆจาได้เฉยๆธรรเกิดเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่เนื่องมาจากความจําได้นั้นปริยัติคือจําได้การศึกษาโรงเรียนปฏิบัติคืกการดําเนินเป็นภาคปฏิบัติผลปรากฏขึ้นมามากน้อยนั่นแหละที่เป็นผลเป็นผลไปโดยลําดับลำดาบจนถึง ความหลุดพ้นนั่นเรียกว่าอินมุตติธรรมได้ปรากุกแล้วภายในใจการปฏิบัติการภาวนาทำอย่างไรกันมันถึงเหมือนคนตายแล้วไม่มีวี่แยวอะไรเลยนี่ก็แปลกใจเหมือนกันอยู่กับหมู่เพื่อนมาก็นาน การปฏิบัติจิตภาวนาต่างคนก็ตั้งใจไปฝึกปฏิบัติแล้วผลมันเป็นอย่างไรมันมีแต่ล้มเหลวล้มเหลวแล้วมันก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมายของผู้สอนผู้อบรมเพราะการสอนตรงนี้เราสอนด้วยความทุ่มเทจริงๆไม่ได้สอนด้วยความรักความสงวนธรรมแง่ใดไว้เลยสอนหมู่สอนเพื่อน สอนเต็มคติกำลังความสามารถไม่ว่าทางเหตุคือการดำเนินได้ดำเนินมาอย่างไรก็พูดให้ฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเกือนใจในยึดไว้เป็นหลักตามจดิตนิสัยของตนจะยึดได้ในแง่ใดแง่ใดของท่านแสดงไปตลอดถึงผลเป็นที่ปรากฏปรากฏมากน้อยเข็มไหลก็ไม่เคยปิดบังนี้ลับพูดอย่างเต็มปากพูดอย่างอาจฐาน ไม่จะทกสถานต่อคําจริงทั้งหลายเพราะการปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นมี่ภาพภาพเหตุผล ท, ที่ปรากฏจากการปฏิบัติปรากฏอย่างไรมันปรากฏมาอย่างนั้นก็พูดตามเรื่องนั้นให้ฟังเป็นแนวทางผู้ของผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายจะได้ยึบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผลจะปรากฏขึ้นโดยลําดับลําดา จากความเพียรห น, นีไปไม่พลนนอกจากเราจะเหลวไหลแค่อย่างเดียวเท่านั้นเราอยากเห็นหมู่เพื่อนมีความเข้มแข็งในความภาคความเพียรอันเป็นเครื่องชำระกิเลสเราไม่อยากเห็นความคึกความขนองที่แสดงออกทางกิริยามารยาทเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสโดยชงเป็นเรื่องของวัฏฏวนลไม่ใช่เป็นของอัจรรย์อะไรเลย ใครๆก็มีสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นอย่างน้อยถึงความเฉลียวฉลาดตาเปืองภายใน จ, จิตใจนั้นเป็นของต้องกัรมากและเป็นความมุ่งหมายของเราผู้เป็นนักบวชตลอดถึงครูอาจารย์ที่สอนสอนเพื่ออย่างนั้นจริงๆสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้ทอย่้งหลายแต่เป็นยังไงถึงไม่ปรากฏนี่น่าแตกเลยนะการฝึก การปฏิบัติมาก่อนต่างองคก็นานทําไมมันถึงไม่ปรากฏคําว่าทําเกิดนั่นก่อนได้ยินแต่ชื่อเฉยๆว่าทําเกิดเพียงจําได้เท่านั้นทําปรากฏก็ได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านสอนสมาธิเกิดปัญญาเกิดก็ได้ยินแต่ตทำลำทำลาเห็นแต่ําลัทตาําครูบาอาจารย์สอนแต่ตัวของเราเองไม่ปรากฏว่าเป็นสมาธิ คือความสงบใจปเป็นปัญญาคือความแยบขายขับไล่กิเลสออกจากจิตโดยลําดับลําดานกระตัง้งถึงขั้นบริสุทธิมุตรันิพานตรจักใจไม่ปรากฏมันเป็นอะไรธรรมนี้เป็นธรรมสดสร้อนรอนแท้ๆเช่นเดียวกับกิเลสมันสดดร้อนๆอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจทําให้เราลงได้ตลอดไปเลยไม่ได้ว่ากิเลสอันนี้เป็นของเก่าอันนั้นเป็นของใหม่อันนั้นเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วเท่านั้นครั้างเท่านี้โหง กี่ปีกี่เดือนตั้งแต่วันเกิดมาก็สัมผัสสัมพันธ์กับมันมาแล้วย่างจำเจต์แต่ก็ไม่ไม่พ้นที่จะลืมตัวหรือดูด ด, ดื่มกับมันตลอดมานี่มันกลัปไปอย่างนั้นส่วนทาไปยังไงอี่คืม่เิเลสกล่อมใจบ้างเลยนี่คืกิเลสกล่อมใจแล้วไม่มีความเบื่อนหน่ายติดจมไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนั่นละเรื่องของกิเลส ที่มันฝังจมภาจิตใจของสัตว์โลกทําให้จมตลอดเวลาถ้าเป็นเมาก็เรียกว่าเมาไม่มีวันสางเลยเมาทั้งวันทั้งคื น, น, นยืนนั่งนอนเมาทุกพบทุกชาติเมาทุกวัยเป็นตนอดตลอดเวลาแม้เราเป็นน้ำบวชก็ยังเมาแบบนั้นแล้วเป็นอย่างไงเราจะหวังพึ่งอะไรเพราะเรื่องความเมาความหลงเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมในวงปฏิบัติของเราเลยเราจะทําอย่างไร นั้นถึงจะทำถึงจะปรากฏขึ้นมาสมกับเรามาตั้งใจอบรมจริยธรรมจากครูจากอาจารย์และประกอบความภากเพียรให้ทำได้ปรากฏธรรมเหล่านี้จะลี้รับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเช่นเดียวกันตัวที่มันเปิดเผยออกอยู่ตลอดเวลาทํากระดิกไม่ได้นั้นมันก็มีอยู่ภายใยใจแส ด, แดงตลอดเวลาเหมือนกับว่าท้าทายธรรมว่าใครมีธรรมอย่างไรเอามาต่อกร ก, กันกับข้าเหมือนอย่างนั้น ข้าก็คือใหญ่ก็คือยิ่งเล็ปัญหาอาชาวชวประเภทต่างๆที่มันสังจมครอบหัวใจเราจะท่านอย่างนี้หละมันแสดงอย่างอาถรรพไม่จะทุกข์สะทานเพราะกําลังของมันมีมากแล้วเมื่อไรเราถึงจะได้แสดงคําความอาถรรพไม่จะทุกข์ะทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราจนกระทั่งถึงด้วยยิมุตหลุดพ้น ไม่มีความตสตุสฐานหั่นไหวกับสิ่งทั้งหลายที่เป็นเคยเป็นค่าศิษย์มานี่เลยได้ฟาดฟันหันแหลกกันลงแตกกระจายพานาจิตใจได้เห็นประจักษ์นี่เป็นธรรมสดสดร้อนๆไม่มีคําว่าล่าสมัยไม่มีคําว่าคือ้อไม่มีคําว่าเดือนนั้นปีนั้นปีนี้สถานที่โนนที่นี่เห็นแต่ความประเสริฐเต็มหัวใจเมื่อกิเล่นได้หลุดลอยไปหมดแล้วไม่ต้องบอกว่าใจตรงนี้ประเสริฐขนาดไหน ที่ไม่ประเสริฐที่ให้เป็นของอกัจจันทรก็คือเรื่องของกิเลสเข้าไปครอบเท่านั้นเองกิเลสมันประเสริฐที่ตรงไหนมันหลอกให้เราหลงต่างหากมันไม่ใช่เป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติที่ประเสริฐทำต่างหากเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐแต่ว่ามันฝังจมในหัวใจของจัตไ ด, ดเครื่อหลับไปตามทั้งนั้นเราอย่าอวดดีนะว่ากิเลสไม่ใช่ว่าว่ากิเลสเป็นของไม่แก้ยากเป็นของง่ายๆปอกกล้วยก็ยังง่ายง่ายกว่าน เราอย่าไปคิดนะอะไรก็ตามสิ่งที่เราคิดเราอ่านนี้เป็นสิ่งที่ตื้นๆทั้งนั้นยังหลงกันอย่างจมไปเลยจมไปเลยมันฉนาดแหลมคมขนาดนั้นแล้วความสัตวเมื่อทายังไม่เกิดเมื่อทายังไม่ปรากฏจะมีแต่สิ่งเหล่านี้แหละเลิะเลอะอยู่ภายในใจตามความรู้สึกของสัตว์โลกทั่วๆไปเป็นฉนา น, นตอนเมื่อทำได้ปรากฏขึ้นติดใเพราะภาคปฏิบัติ นั่นแหละที่นี่เราจะได้เห็นเป็นคู่แข่งกันท่ามปรากฏขึ้นมาเช่นนี้กิเลสครับเคยปรากฏกับเราเป็นยังไงนั่นรสชาติของกิเลสอาศวะกับรสชาติแห่งธรรมแตกต่างกันอย่างไรเริ่มไปตั้งแต่สมาธิยับยั้งตัวได้เหมือนเรามีเกาะมีดอนมีที่พักผ่อนอาศัยให้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นการเป็นเวลาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ได้แผดเผาตัวเองอยู่ตลอดถูกไฟที่กิเลสมันเผาตลอดเวลา ตลอดไปยังมีเวลาพักได้นี่เมื่อทำได้ปรากฏขึ้นรสของธรรมที่ปรากฏขึ้นแม้แต่ความสงบนี้เราจะได้เห็นโทษแห่งความฟุง้งซ่านความวุ่นวายของเราอย่างถนัดใจเดียวเมื่อเรายังไม่เห็นความสงบใจเป็นซึ่งเป็นค่าสิบของกันหรือเป็นคู่เปรียบเทียบกันเราก็ไม่เห็นความ โทษของความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความขาดแสของจิตเพราะไม่เคยสงบผลแห่งความสงบไม่เคยปรากฏเพราะไม่ทราบจะเอาอะไรไปแข่งกันเอาอะไรไปเทียบกันเมื่อความสงบได้ปรากฏขึ้นย่อมจะเทียบได้ในขณะนั้นทันทีเลยโ อ, โอความสงบเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยได้ปรากฏปฏิบัติไม่เคยได้ปรากฏเลยได้ปรากฏแล้วทีนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอ จิตจะมีความกระหิ่มยิ้มย่องดูดดื่มตลอดวันเลยจิต ม, ม, มันมีความดูดดื่มในผลของตนคือผลอย่างทำในปากรุกขึ้นแล้วนี่แหละทำเหตุให้มีแก่ใจจริงความภาคความเพียรก็รวมตัวมาความอุตส่าหพยายามหนักเอาเบาสู้ทั้งนั้นมาพร้อมๆกัน นี่แหละรถแงทงธรรมได้เกิดแล้วเป็นคู่แข่งของกิเลสได้เป็นอย่างดีเพียงสมาธิธรรมก็ เ, เอาเถอะเรายังไม่ได้พูดถึงทำมัละเอียดมากยึ่งกว่านั้นเลยเพียงสมาธิธรรมนั้นก็ป ร, ราบความฟุ้งซ่านได้เรียบเห็นโทษในความฟุ้งซ่านด้วยความสงบของของใจของธรรมนี้ถ้จาจักใจตัวเองนี่แหละที่เรียรถแทงธรรมชนะถึงรถตั้งปวงที่ไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเริ่มชนะกันไปเรื่อยนี่คันว่าทำเกิดนี่ ที่นี่เริ่มละทาเริ่มผิดแต่ว่าภาวนาเมยปัญญาก็ได้ที่นี่ปัญญาเกิดตลอดเมื่อถึงขั้นเกิดแล้วสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปอะไรมาสัมผัสสติซึ่งซึ่งพร้อมอยู่แล้วจะรับทราบทันทีทันทีปัญญาวิ่งตามแย่ตามขายตามพลาดพันหันแหลกกันไปโดยลำดับลำนับนี่ท่านว่าทาเกิดปัญญาเกิด หรือภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดในเวลาภาวนาเลยทุกกิริยาบทกลายเป็นภาวนามยปัญญาไปทั้งนั้นนี่ทําเกิดที่นี้แต่ก่อนกิเลสมันเกิดเกิดในใจดวงนี้เกิดทุกเวันลาำเวลานี่จะได้เห็นไม่ได้เห็นก็าตามได้ยินไม่ได้ยินก็าตามอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนระลึกได้เมื่อไรเป็น ไ, ม, ม, ไม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมติดติดอย่างเอี่ยมเหมือนกัน นั่นกิเลสรถของกิเลสทีนี้พอธรรมามีกําลังแล้วจิตดวงนี้แหละซึ่งเป็นสถานที่ผิดงานของกิเลสวัตจักรวัตจิตจมานั้งเดิมก็ได้กระจายออกตัวออกไปพลังของธรรมได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นทีนี้ธรรมได้เกิดขึ้นที่น ใ, นใจกิเลสเมื่อธรรมเกิดขึ้นมากน้อยเยียงไรกิเลสก็อ่อนหัวแห่งไปงอ่อนแห้งไปสุดท้ายก็มีตั้ง จะทําทํางานของตัวเองผิดตัวเองขึ้นมาโดยลํบบนาดับกาลังเป็นธรรมจักรแต่ก่อนเป็นกิเลสสวรรัสดทีนี้กลายเป็นธรรมวัฏฐ์เป็นธรรมจักรหมุนกิเลสแหลกไปแหลกไปโดยลํบบนาดับกําัาอยู่ที่ไหนก็เกิดถึงวาระที่ทําเกิดแล้วปิดไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัตินหมุนไปอย่างนั้นตลอดจนกว่าว่ากิเลสจะบรรลัยเสียสิ้นเมื่อไหร่ ธรรมจักอคือปัญญาที่หมุนตัวเป็นธรรมจักนี่จึงจะหยุดถ้าหากกิเลสยังยังไม่สิ้นซากไปหมดแล้วปัญญาอันนี้จะหมุหมนตัวตลอดทีเดียวหมุนทั้งคิดทั้งค้นหาเนี่ยผลหาตัวกิเลสเจอกันเข้ากับฟันกันเลยน่ะตลอดเวลานี่แหละว่าธรรมเกิดที่นี่เกิดในหัวใจนี่แหละไม่ได้เกิดที่ไหนนะเกิดที่ใจของเราตัวรู้ๆนี่แล้วก่อนรู้มันรู้ไปเป็น โลกเป็นยุงสารรูปเป็นโทษเป็นกรรมไปหมดพอทำได้เกิดแล้วรู้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมรู้แก้งแทงทะลุไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทงทะลุอุกวงไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นละ่ะปัญญาประเภทนี้ถึงจะพักตัวหรือยหยุดหยุดตามหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะหมดแล้วในคาปัญาค่าสึกังหายิดเคยต่อสู้กันมาไม่มีอะไรเป็นค่าสึกแล้ว ได้กับทําเป็นอันเดียวกันกรมคืนเป็นอันเดียวกันทิเลสไปไหนหายหมดเรนี่เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดทิเลสตะกรนจิออตจไม่เคยหมุนวิ่งไปสู่รูปสู่เสียงสู่กลิ่นสู่รสเป็นอุปทานมาเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีคําว่าบกบางถึงเช่นั้นมันยังขนขวยหามาพอกพูนไดจนล้นหัวใจทุกข์ก็ล้นหัวใจมันยังไม่ทราบต่อเมื่อสติปัญญาได้ ที่เรียกว่าธรรมเกิดธรรมเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาทุกขั้นก็เกิดเกิดเต็มที่แล้วพังทลายกิเลสสวัสด์ออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นเห็นประจับไม่มีแล้วคำว่าข้าศึกเอามาจากไหนข้าศึกก็เอามาจากกิเลสต้นเองกิเลสอยู่ที่จิตข้าศึกก็ต้องเกิดถึงที่จิตที่จิตเมื่อกิเลสได้บันลายเป็นหมดจากจิตแล้วข้าศึกจะมาจากไหนในหัวใจทั้งรวงมีแต่ธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันกิเลสจะเกิดขึ้นได้อย่างไงมันก็รู้ชัดไม่ต้องถาม ถามอะไรถามามาพุทธเจ้าเมื่อได้ถึงขั้นที่รู้แล้วมันก็เหมือนกับเราเราับทานอาหารนี่นิดฉันเลยครับนี่มันเผ็ดมันเค็มใครก็รู้โดยลิ้นโดยปากของตัวเองทุกคนจําเป็นอะไจะต้องไปถามกันว่านี่รสเป็นยังไงมันรสแด็ดอิ่มก็รู้ตัวด้วยตัวเองจาเป็นจะต้องไปถามใครมาเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนสิ่งที่จะรับความจริงมันมีอยู่กับทุกคนความจริงต่อความจริงเดินเท่ามันก็เป็นความจริงนั้นล้วนไม่ต้องถามใครอันนี้ก็เหมือนกัน เมื่อจะติปัญญามันฟาดปัญหาแหลกกิเลสทุกประเภทหาดสะบั้นไปจากจิตใจแล้วก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเออนี่พุทโธเป็นอย่างนี้ละเหรอนั่นพระพุทธเจ้าที่เคยกลาวไว้ว่าท่นขาดคเนท่านดูดอยู่ที่ไหนที่ไหนคืออันนี้ละเหรอนั่นทำแล้วเราที่ว่าทำเกิดหรือทำมีอยู่ตลอดเวลามีที่ไหนมีที่นี่ละเหรอนั่นไม่มีที่ไหนที่จะรับรองยืนยันกันนอกจากที่จิตนี้เท่านั้น เมื่ถึงขั้นมีมีประสงค์ถามว่าคืออะไรก็คือทำบริสุทธิ์นะี้ไงยืนยันกันตลอดในหัวใจของผู้นั้นแหละไม่ได้ถามว่าบุธเจ้าเป็นยังไงตัณหิพานไปนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่นั่นเป็นการเป็นเวลาตามสมมุติยมเท่านั้นพอจิตบริสุทธิ์แล้วมันก็หมดเองอเรื่องอดีตอนาคตแม้แต่ปัจจุบันยังรู้เท่าไม่ติดไม่พันกับสิ่งใดเลยนั่นแหละเป็นใจอิสระใจประเสริฐ ไม่มีอะไรประเสริญยิ่งกว่าใจแก้อได้นะขี้เล็ไม่เป็นของประเสริญอะไรแหละถ้าเป็นของประเสริญใครก็เลิศประเสริฐทั้งหมดในสามเดือนนกกระชาบนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีกี้เล็ทั้งนั้นกิ้เล็แทรกอยู่ทุกหัวใจเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดไม่มีต้นสาไม่มีต้ น, ไ ม, มตนไม่มีปลายท่านว่ า, อ า, าอารามตะโคท่านว่าคือทางไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายหาไม่เจอ วัฏตะวนของแต่ของกิจแต่และดวงละดวง ม, มันเหมือนเหมือนโมดตาขอบโดง้งกันว่ะเป็นอย่างนั้นแหละตายมาแล้วก็มาเจอของเก่านั่นแหละมันก็ว่าเป็นของใหม่ตายพี่อีกตายไ ป, ตา ย, ไปตายมาวนอยู่ขอบด้งมันเก่านั่นแหละอันนี้ก็ขอบด้งคือวัฏฏะจักรนี่คืออะไรการมาโลกรูบโลกรูบโลกนี่ขอบโด้งของวัฏฏะจักรกิจมันหมุนไปหมุนมาอยู่นี่มันไปไหนกิจตรงนี้มันหมุนไปตามนี่เท่านั้นอ่ะใช่คิบหายมามคิบหายเรื่องคิบหายกิเลส จะทรมานมันทหทุกขนาดไหนยอมรับมาทุกอืมทุกขนาดไหนยอมรับมาทุกแต่ไม่ชี้หายก็คือใจนี้เ <c oughs> องเดี๋ยวนี้เวลาชาระอันนี้ออกหมดความหมุนของใจมันแต่ก่อนเป็นยังไงก็เราก็ทราบมาแล้วความไม่หมุนของใจน้ำบัดนี้เป็นอย่างไรเพราะเหตุไรมันก็ทราบแต่ชัดเจนนี่ผู้ปฏิบัติต้องทราบทันวัดสันทิฏิโกสันทิฏิโกโทไม่ได้ผูกขาดทราบเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนเพราะเราจรึงอย่ไปคาด บอกพระเจ้านิพานนานแล้วฉะนั้นปีเท่านี้เดือนอืทําตั้งแต่นู่นกับทาสมัยนี้กิเลสสมัยนู่นกับกิเลสสมัยนี้มันก็ทิ่มแทงหัวใจผูกมัดหัวใจคนสัตว์ได้เหมือนกันหมดทําไมการแก้กิเลสจะไปหาไว้ทําเวลาประเจ้าถานที่การนู้นกันนี้ให้กิเลสมันหลอกเล่นอยู่ได้เลยนักปฏิบัตินั่นนะมันหลอกหลวงพ่อเจ้านิพานนานนานไปแล้วทำมาหมดเกลื่อหมดสมัยแล้วแล้วกิเลสมันไม่หมดสักทีสมัยท่าไม่เห็นทําพูดกันตรงนี้หรอ เอาให้มันหมดตัวหน้าตัว ต, วตาประจับใจของเราจริงหน้าปฏิบัติมันจะได้รู้ได้เห็นนี่พูดอะไรพูดเต็มหัวใจพูดอยากให้หมูเ่เพนได้รู้ได้เห็นเพราะไม่ได้โอ้ได้อวดเพราะไม่ได้ไปหักลูกพระทำมาจากที่ไหนพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ถอดออมาจากหัวใจนี่ทั้งเหตุเราก็เคยเป็นอยู่ในหัวใจนี้แล้วผลมันปรากฏมากน้อยอย่างไรก็ปรากฏอยู่ในหัวใจนี้แล้วทําไม่จะผิดไปนําของจริงมาพูดแท้ ทิ้งพูดได้อย่างอาจฐานเราไม่ได้โศกสะทานในเรื่องการแสดงธรรมต่อหมู่ต่อ่อนเพราะเป็นกันเองหมังความสุขความเสจือญบางความุดโทนจากทุกด้วยกันการแสดงด้วยอัดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลอย่างเต็มอกเต็มใจอย่างถึงพลิกถึงขิงเพื่อให้ถึงพลิกถึงขิงสําหรับผู้ฟังทั้งหลายให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำทําไมจะผิดไปนอกจากที่เด็ดมันจะมากากว่าทาี่ก็ทราบมันหลอกไปบินไปตามทา ง, ทางมันหลงไปหมดเท่านั้นเอง นี่คนหมดไปหมดไปจะทําไงผมมีตกมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาะครูบาอาจารย์ที่คอยให้อัดให้ทําที่แนวทางที่ถูกต้องมั่นยามไม่มีใครเกินอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านที่ผ่านไปแล้วเหล่านี้นับแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามาอย่างนั้นก็ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นคือส่วนแล้วส่วนมากไม่ได้จะลูกศิษย์ทั้งนั้นที่ผ่านไปผ่านไปหลวงปู่ฟั่นนหลวงปู่พรมมีแต่ยังเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้น หลวงปู่วัวน้องแสงก็หลวงปู่ขาววัดถ้ำคงเพลงหลวงปูค่คาดีหลวงปู่แหวนนลว ง, งปู่ทั้งหมดเหล่านี้ท่านเป็นเป็นอะไรถ้าในครั้งพุทธการจะว่าท่านเป็นพระอะไรก็ว่าเป็นพระรสารททั้งนั้นถ้าไม่ใช่คนตาบอดหูโง่อย่างพวกเร า, เราทั้งท่านอันนี้ไปคอยโจมตีเรื่องกิเลสชอบจะโจมตีทำชอบจะทํำลายทำไม่เชื่อถ้าเป็นเรื่องความดีแล้วขึ้นชื่อว่าตัวกิเลสจะไม่เชื่อเลย นอกจากทำเท่านั้นจะเชื่อะแล้วก็หมดไปหมดไปครูบาอาจารย์ที่ว่านี่แล้วยังเหลือที่ไหนที่นี่เราจะมา้นอนใจอยู่เลอการแนะนําสั่งสอนทางด้านจิตตะพอนาเป็นของสําคัญมากถ้าไม่รู้ไม่เห็นได้ผ่านมาแล้วสอนไม่ถูกเรียนมาก้าประโยคก็มาเถอะมิแต่ความจำไมเฉยความจริงไม่ปรากฏแล้วเอาอะไรไปสอนใครรู้คๆคำคำเท่านั้น่ะแต่ท่านลงเนิ่งปรากฏเป็นความจริงขึ้นภายในพระภายในใจของตัวเองด้วยภาคปฏิบัติแล้วไม่สงสยัย มันจะรู้ชัดเจนทีเดียวการเทศการแนะนำตั่งสอนการแก้ไขปัญหาทุกแน่ทุกมุมจะไม่ผิดไม่พลาดไม่ทำผู้มาศึกษาให้ผิดปังจะได้เป็นขวัญใจตลอดไปนี่ครูบาอาจารย์ตัางหลายเหล่านั้นท่านเป็นอย่างนั้นเวลานี้ก็หมดไปหมดไปแล้วจะรู้คํคำไปที่ไหนที่นี่หมดไปหมดไปแล้วอำนาจของจิเลสมันยิ่งทุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะไม่ว่า ทั่วๆไปไม่ว่าในหัวใจของเราเองเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมให้มันเกิดนั่นไม่ใช่มันมีเพรมีกําลังมากขึ้นนั่นมันมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าการประกาศศีลประกาศธรรมอยู่ความดีงามทั้งหลายเพื่ออวดกิเลสบ้างมันไม่มีนะอย่างวนี้เราอยากจะพูดว่ามันไม่มีนี่ก็อย่างว่านั่นแหละพอให้กิเลสหัวเราะนั่นถือพุทธก็ถือพอให้กิเลสหออัวเราะเรียว่าไงเป็นพระเป็นสง ก็พอให้กิเลสหัวเนาะนั่น่ไม่พอให้กิเล ร, ร้องไห้ได้เลยเอาที่ฟาดตรงไปสิเพราะพระพุทธเจา้าท่านสอนยังไงศีลบริภาวิตศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาพลาโขมหาพลาโขติมห า, า, หสมห า, าหสิสั่งสังโซศีลอบรมแล้วสมาธิย่อมเกิดได้มีได้สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโขติมหาลิขสั่งชามเมื่อสมามีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเป็นไปได้เกิดได้นะ ปัญญาพลอยาลอางจิตทางซ้ำ ม, มาเดวะอาเสวีมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกให้เรียบร้อยแล้วย่อมดุจพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นว่าไง น, นี่อยู่อยู่ที่ตรงไหนนี่ท่านว่าวันนี้อยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานี่นะให้กิเลสได้หมอบได้ลามไบแต่กระจากระชาจากของใจของสิยญายมันได้หัวเราะปฏิบัติเดินยมกลมก็ให้กิเลสหัวเราะนั่งสมาธิภาวนาก็หลับค้าคลอกให้กิเลสหัวเราะเดินยมกลมก็เทอไปนู้นหัวใจสิสติตั้งไม่มีให้กิเลสหัวเราะ นั่งภาวนาให้กิเลสหัวรอดอียาบททั้งสีว่าตนทํความเพียรมีแต่เรื่องประโยชน์ให้กิเลสหัวเราดหัวรอะมันเป็นประโยชน์อะไรมันมีเสียดัสสิทธ์อะไรถ้าเป็นคนไม่อายอย่างมุดลงดิงนแล้วเหรือถ้าว่าธรรมดาทั่วไปทําอะไรงานอะไรมี่แต่งานให้ประโยชน์ให้กิเลสมันหัวรอดหัวเรอดมันมาไม่น่าอับอายขายหน้ามากไปแล้วหรือพีนาจริงนักปฏิบัติหรอกเอากิเลสมันร้องห่มร้องไห้สังทีมันพินาศจีบหายไปจากหัวใจแล้วนี่ยังไงที่มีทําเกิดที่ไหน พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วทำเกิดได้ไหมแ ต, แต่กิเลสพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกิเลส ท, ทำไมมันเกิดได้เกิดในหัวใจคนทีนี้เราภาคปฏิบัติต้องเราฟัดกันลงไปกับกิเลสพระพุทธเจ้านิพพานแล้วกิเลสโอทำมาเกิดขึ้นได้ไหมกิเลส ต, ตายไปได้ไหมถ้ามันเห็นไปจากในใจของเราจริงร่ น, นักปฏิบัติโอธรรมที่สดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ในหัวใจกลางกลบ้านอยู่ในนี้มีแต่กิเลสมันปิดมันหุ้มห่อไว้แต่นั้นเบิกออกสิในรับความสุขความสบาย จากการอยู่การกินการหลับการนอนมันจะโลกทั้งหลายมันมีมาด้วยกันนั้นมันแค่นั้นแหละก็เหมือนนักโทษในเรือนจำนะกกินกินอิ่มมันเป็นนักโทษอยู่มันจะว่างไงเหมือนสัตว์สาธารณเน่ะเลี้ยงมันให้มันกินแต่ถึงเวลาล่าเขาอาไปฆ่าไปฆ่ามันเป็นประโยชน์อะไรมันดีอะไรพอที่จะนอนใจอันนี้หมุนเวียนไปในวัฏจักรวัฏจิตมันกี่ภพกี่ชาติหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความประมาทของเราั่ะเองให้ทําเขา แทรกเข้าไปทํำลายขัวงหัวใจของกิเลสบ้างสิมันพังทลายมาจากใจเลยดูข้างนาฏิอาชาติสะนะทุกย่อมามีแก่ผู้ไม่เกิดกินถ้าไม่ไปเที่ยวเกิดที่น่นจะหาทุกเกิดที่น่นที่นี่จะหาทุกมาจากไหนเป็นอิสระเต็มตัวแล้วไม่ต้องเกิดมีแต่ความรู้สึธรุนรุนในหลักธรรมชาติของตนนั่นเหมือนว่าไกลแสนไกลจนเอื้อมไม่ถึงคํ า, มามว่าม็ฝนนิพพานเลยทวีปไหนไปทีะไทนไหน มันคิดไอ้กิเลสมันหลอกมันกล่อมไปทั้งทั้งที่กิเลสมันฝังจมอยู่ในหัวใจเราไกลหรือใกล้ที่ไหนรู้กันอยู่ทุกเวลามันควรที่ทําจะฟาดลงไปตรงนั้นแต่แท้ถ้ามันมีหัวมันหัวแตกไปอย่ีกจะจับใจนี้เป็นไรมันไกลไหมกิเลสมันหุ้มห่ออยู่จิตจิตของใจชั้นจิตของเราฟาดตรงที่ที่หัวใจเราทําไมจะไม่ฟาดหัวใจกิเลสล่ะมหัวใจกิเลสมันแตกไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดอีกมันัม่มีอะไรเกิด ออืแต่เราไม่มีอะไรสูะปรมังสุขขังได้ได้แก่อะไรได้แก่กิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่แหละคาว่าปรมังสุขขังปรมังสุขรับยิดไม่บริสุทธิ์ล้วนๆปรับปรมังสุขขังไม่ได้ปรมังสุขพ่อปรมังสุขขังนี้เป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่สุขเวทนาเป็นธรรมชาติของที่อยู่กับความบริสุทธิ์แอ่งจิตเอง ถ้ากันเอาจริงเอาจังจริงจะมาคุ้นมาเคยมาสนิทติดจมกันอยู่เฉยๆนะมันกายเป็นแบบโลกกันนะมองเห็นอากาศจิตริยาอะไรแสดงออกมันมีแต่เรื่องคือเรื่องขนองเรื่องอัานต้องทาไม่ค่อยมีเนี่อ่ะกี่มันสะดุดสังเวทผู้สอนสอนแทบเป็นแทบตายอืผู้แสดงออกมันแสดงออกให้กิเลสหัวเราะตลอดเวลามันหันหลังให้ทําให้การอบรมนี่ที่มันจะไม่สะดุดสังเวทยังไงดูมูเพื่อไม่ได้ดูเพื่อยกโทษยกกรณ์มือเพื่อนอะไร เพราเราเผู้สอนเพื่อให้ดีเองแล้วไปยกโทษหมูเพื่อนหะประโยชน์อะไรเราสอนเพื่อให้ดีแต่กิริยาอาการที่แสดงมานะั้นมันไม่ได้เข้าในวงการสอนมันเป็นวงของกิเลสสอนทั้งนั้นนี่ที่มันน่าจะต้องสังเกตรงนี้เลยเอา้าวยองแค่นี้เหนื่อยแล้วนี่เทพภาพปฏิบัติฟัดกันลง ส, สุดร้อนๆเนี่ยกิเลสมันทังจากหัวใจกิเลสคุยกันสนุกครับลกปูกข้าว ต้องปู่แหวนเนี่นี่ฟืันสนุกอีมทำขันข้นสาคัญสาคัญหงปู่บัวอนี่ยฟื้นยังสนุกหลวงปู่คำดีก็คุยกันท่านชิงทองก็เดี๋ยวคุยการปฏิบัติตัว่าองอย่าไปคาดไปหมายนะ การภาว น, นาให้จิตเป็นปัจจุบันเสม อ, อถ้ามีสติจิตก็เป็นปัจจุบันถ้าปราศจากสติเมื่ อ, อไรก็วิ่งไปอดีตอนาคต ท, ทันทีเหยียบหัวปัจจุบันไปเลย <c oughs> ถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันจิตเป็นปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรมเพราะมีสติอยู่เท่านั้นแ่ะจิตก็ไม่เอ็นไปอดีตอนาคตนี่เราพูดถึงขั้นสมถะนะพูดถึงขั้นปัญญามันจะหมุนไปไหนก็ตามเถิดมันเป็นเรื่องของปัญญาล้นลวนไม่ว่าจะไปอดีตไม่ว่าจะไปอนาคต มันเป็นเรื่องของปัญญาข้นขวายประโยชน์ของตัวอตเองทั้งนั้นไม่ผิดกันะเกิดศพของลุงปู่แวนก็น่าจะเป็นระยะท่านเกิดเดินมกนลายะไรอั่นลุงปู่คาดีก็เอาหนวนมาแล้วเดือนปฤศจิกาวันที่อะไรลืมอ่ะยี่สองยี่สามนี้เหมือนเท้าขาวนะรู้สึกเหนื่อยๆ น, ยนี่พอเริ่มเหน่อยก็หย มันจะฝืนมันไปมาเทศจะให้เทศธรรมดาอ่อยๆอยมันก็ไม่ได้อีกแหละมันคือว่ามันเป็นไปตามหลักธรรมชาติประมันขนาดเทศยิ่งๆมันเสียงมันเข้มข้นเราจะเป็นรถยนต์ก่อนผันลงไม่ได้ขัดขัดหลักธรรมชาติเทศเบาๆจะไปเร่งมันให้มันมันนั้นก็ไม่ได้อีกแล้วเวลาเร่งมันแล้วจะจะให้เบากระนั้นอีกก็ไม่ได้ ตัวประจามจังหวะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาเกมคนมันถึงเกมคนแล้วทําให้เหนื่อยตรงนี้แม่ครูอาจารย์เทศเนี่โอ้ประตูวัดได้ยินประตูวัดจับคำไม่ได้ตามได้ยินชัดเดียแต่แม่ใชัดได้มาแบบจับเอาถ่อยเอาคําได้นะคืดีนว่าอันเทศ คนพูดกันง่ายๆเสียงกันเสียงกันกลบงานที่เรกงค่อยๆเว้ยเอ้ยเขาไปเขาไปเขายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นนะะไรทีนี้ที่ที่ทำอะไรก็ตามท่านยังไม่เข้าสมาธิทำปัญญาธรรมแล้วมันยังไม่เข้มข้นพรอเข้านั้นน่าเป็นไปเองหมุนดิ้วดิ้ ทิถีทางเดินของจิตพูดถึงการสมาธิพูดถึงกัรปัญญาคำหนึ่งเดียวถ้าภาษาของเราเรียกว่าคันฟันอคันฟันกอยากให้หมู่คนได้รู้ได้เห็นนี่น่ะเหมือนกับว่านี่น่ะทำไมนอนหลับตายทำไมเหมือนอย่างนั้นนี่นานเพราะท่านท่านเทศท่านเทศด้วยความรู้ความเห็นของนจริงท่านไม่ได้เทศแบบงมงมงลูกของคำอะไรเอาของจริงมาเทศ พอาอกมาจากห้าใจข่านมาเทนเราฟังมันเป็นสนุกเทศผู้ฟังสนุกฟังแจะแต่ท่านเท่าแก่มื่ขนาดนั้นเทอต้องสองชั่วโมงนะเทศแต่ละครั้งนี่ไม่ต่วสองชั่วโมงสองชงัองอ่วโมงกว่ามันทีก็ฟาดั้งสัสามสี่ชั่วโมง <c oughs> เป็น น, น, นานมันามีทีมันฟังมั น, มนเพลิน พรอาจารย์สิ่งเดียวหูวสูงสิแล้วเพราว่าหูสูงก็มาถูกหูลมแม่นี่มันก็แบบเดียวกันเราก็ยอมรับเพราะเราเคยเป็นอย่างนั้นนี่นีฟังเทศขพระแม่พระอาจารย์มั่นแล้วมันไม่อยากฟังเทศของใครเลยันไม่เหมือนนั่นท่านจับมานี่น้านี่น่ะนี่น่ะดีอย่างนั้นเหมือนว่านี่น้าเห็นไหมนี่หน้าตาบอดหรืออย่างไรท่านจะว่ากันนะท่านเข้มความยึดพุนของเทศของการเทศกัน เหมือนกับว่านี่นะนี่น่ะตาบอดถึงไม่เห็นตาบอดหูหูถึงไม่ได้ยินนี่นะนี่น่ะนี่น ะ, นนะอย่างนั้นการรู้จริงๆก็เห็นจริงๆพูดอะไรอโอ้โหมีรถมีชาติอยู่ตลอดทุกทุกประโยคแห่งการพูดทุ้งตั้จที่นี่ละเอียดมากที่เละละเอียดมากเราถึงไม่หลงกลมันจัดโลกไม่หลงกลมัน คนมันทั้งหมด เ, เป็นเรื่องของเราไปหมดเลยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของข้าศึกไมไ่ถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันถือเป็นเรื่องของเราทั้งหมดทุนี้เรากิเลสเขาแยกกันไม่ออกสิจะแยกกันออกไงมันสนิทติดจมกันขนาดนั้นเอาอะไรมาแยก <c oughs> เป็นกว๋วสติปัญญาเริ่มไหวตัวแล้วนั่นแหละที่คอยสมาธิรับรู้แต่ว่าจิตมันคันไปอนไร ยังยังถอดยังถอนกันไม่ได้นะหักทราบพอถึงขั้นสมาธิจิตสงบเย็นแล้วมันมีจุดแห่งความเย็นความสงบจุดของความรู้ที่เด่นดวงและสงบเย็นให้เห็นมันอยู่นะนอกจากนั้นเป็นส่วนร่างกายต่างๆมันก็มันก็เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งมันเสียมันไม่ใช่ตัวรู้นั้นตัวรู้จะแท้ไม่ใช่ร่างกายตัวต่างๆนี้นี่มันก็รู้ ถ้าไม่มีคิดแต่ภาวนาก็ไปแทรกเลยนี่คนร้อยเปนร้อยพันทั้พันหมื่นทหมื่นล้านทั้งล้านมันก็คว้าน้ําเหลวกันทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นแล้วมันก็จะมาเมาอาหมดทั้งล่างก็เป็นเหล่าเป็นรองๆแล้วก็เลยเกินไปทั้งกิเลสแล้วจะฆ่ากิเลสก็กลัวถูกฆ่าเจ้าของฟันกิเลสก็กลัวจะฟันเจ้าของเลยไม่ฟันไม่ฆ่าไม่กล้าอืม มันกล้าู้กิเลสสู้กเลสเก็เท่ากับสู้เจ้าของเพะันะเรเฉือนเอาเนื้ อ, องเจ้าของออกไปเพราะกิเลดมันติดกับเนื้อกับหนังกับพวกหัวใจพอแล้วจะแตะตรงไหนก็กลัวแจะจะตอกระเทือนตนเลยยอมแพ้ อ, อย่างนั้นโอ้ลเอียดมากจริงขั้นพราะเป็นขันสมาธิพอรู้กัน พอถึงขั้นปัญญาเขาไปแล้วอะไรที่ไม่ต้องบอกนะจัดการตัวเองไปเองนะเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหมือนตัวเองไปไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยร่าก็ล่าไ ด, ด, ด้เห็นชัดชัดๆัดชัดชัดโอ้โอันนี้เป็นอะไรมาทำเกิดนี่แต่ว่ายงันกันได้พูดได้เต็มปากนี่เรื่องของโลกของกิเลสเขายังพูดอะไรเพูดได้เต็มปากถ้าเรามีธรรมบ้างทําไมพูดไม่ได้วะนัะ่นเพราะมันมีธรรมเต็มหัวใจจะพูดได้เต็มปากนั่น นอกจากมันไม่มันไม่รู้จะ อ, อะไรมาพูดก็มไม่รู้ไม่เห็นนี่ถาลงได้รู้ได้เห็นเต็มหัวใจแล้วทำมจะไม่อาถานในการพูดว่ะเหมือนจย่งเราไปเห็นอะไรมาแล้วพูดตามความเห็นตัวเองมันผิดไปไหนพูดได้อย่างอาถานเหมือนกันสคัญที่ไม่รู้ไม่เห็นเอาเรื่องอรังกุลมาพูดเขาเล่าสารมาพูดนั้นมันอย่างว่าชุมสี่ชุมห้าผิดมากกว่าถูกถาลงได้เจ้าของไปเห็นเองเอ ไปสัมผัสสัมพันธ์เองในเรื่องต่างๆ <S <S 1> <S 1> พูดได้หมดท่านลงเนี่ยเจ้าของเห็นเองรู้เองมาแล้วกับเหตุการณ์นั้นๆทําไมจะพูดไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากด้กับธรรมก็เหมือนกันใ้กับกิเลสก็เหมือนกันถ้าลงได้รู้กันเต็มหัวใจแล้วพูดได้อย่างเต็มปากเพราะละในอย่างเต็มใจนี่นะละมาแล้วอย่างเต็มหัวใจทําไมจะพูดไม่ได้เต็มปากอ่ การต้องเที่ยวหาที่พรนานะได้ได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนมันไม่สะดวกอันนี้อันหนึง่งคือมันไม่สับปยะในการบําเพ็ญมันไม่เป็นที่สบายในการบำเพ็ญําบากนะยังยัสมยัยพวกผมนี่ก่อนอยังพอทำเนาหนะคือยังไม่มีอนเรื่องอย่างนี้มากวนใจมาหยุดมากั้นทางเดินทางดําเนินขอีเรา อยู่ตก่อนไม่มีคํามาก ม, ม, ม น, นิดมนต์อะไรไม่มีอยู่ไหนในป่าไหนอยู่สบายมุทดทำบวชําสวนก็ไม่ได้ไปทํำนาก็พออยู่พอกินแล้วทําแล้วก็ไม่ได้ขายเขาจะทําไปอะไรหนั่หนาทํานากดีทํ า, าได้ข้าวมาพอกินเงินท่านั่งปล่อยสวนก็ไม่ได้ผลขวัญ น, นาก็ยังว่าต่อมานี่ยบอ กระดาษไม่หลอกโลกเป็นบ้ากระดาษไปจริงๆอยากมีหน้ามีตาแล้วมัมนเงินทองมีจรวดท้านรรดาสักดิ์ลมๆแรงๆไปต่างคนก็ต่างอย่างเหมือนกันก็ดิ้นกันทันผันหัวกันแหลกไปนะ่นคือท้ายแผ่นดินที่ตรงไหนพอที่จะประกอบให้เป็นความสงบเย็นใจบ้างมันก็ไม่มีที่ปรองที่วางได้ ตรงตรงนี้ก็เป็นนาเขาจะตรงนั้นเป็นสวนเขาตรงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาโลกมหกฎมหาหลงพี่เทียนไปที่ไหนก้าวไปไหนก้าวไม่ออกมันไปโดนแต่ของหมุนเรานี้หน้าสงเกียรตมันครอบไว้หมดทุกสิ่งทุก อ, อย่าง <S <S <ม>ที่สุดที่สร้างวัดจะไม่มีจะว่าไงสร้างวัดเพื่อจิตใจจะแท้เป็นหลักกานมันก็จะไม่มีมไปหาภาวนาที่ไหนพอจะเป็นไปมันก็ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ ป่าดงพงนึกที่ไหนหมดถูกสังหารถูกทำลายหมดเพราะอำนาจแหงความโลกตัวเดียวเนี่ยมันหนักมากโลกนี้มันมีความอิ่มพอมเมื่มมม อ, มอไหร่เอาที่เอาสมบัติทั้งแผ่นดินนีมาโยนให้คนคนนั้นคนที่โลภมากๆคนเดียวมันจะพอใจไหมไม่ไม่พอนะมันยิ่งจะโลภเขาไปยิ่งกว่านั้นจากได้สองแผ่นดินสามแผ่นดินนแล้วยังไงาทั้งสามโลกธาตุมันเป็นบริษัทบริวารเราหมดนะ มีความโลภเขาจะเกิดมันไม่เห็นหน้าอะไรต่างๆคนก็ต่างมีประเภทเดียวกันเท่ า, ากิเลสก็กิเลสประเภทเดียวกันเหมือนเราโลภเขาทำไมเขาโลภไม่ได้ลนะ่ะก็มันมีธรรมาชาติที่พา้โลภเดีวยวกันอยู่ในหัวใจทุกคนนั้นเนี่ยเขาเสกสารขึ้นโลกมันขึ้นไปมันจะเป็นจะตายก็ไม่รู้โทษของมันมันมีผู้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่เขาชี้หน้าจีก <c oughs> ิเลสมันมีหน้าหน้ามันชี้หน้าผู้ปฏิบัติธรรมมันชี้หน้าคนดีเหมือนอย่างในวงงานคะ่ะราชการงานเมืองอะไ ร, ระตา่าง คนดีอยู่ยากคนชั่วมันมั น, นมีอำนาจมากมันมากต่อมากหลายต่อหลายมากต่อมากอืมันนิยมอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันทุจริต ล, ล่อกงริดไถพหัวอะไรนขอรับแันมัดแชนมันเพราะอะไรก็เพราะตัวเนี่ยมั น, นมีอำนาจมากมันพาคนให้โรวงล่มันจะตายนะไม่ใช่โ่วธรรมดานะ ก็เป็นพอไปธรรมดาเหมือนมิโดยความมีธรรมแล้วคนเราใครจะอ ย, ยากเสียสัญาณความตยอยเป็นของดีเมื่อไรคนดิ่นตายอืมมันจะตายมันดิ่นคนไม่ดิ่นนั่นคนไม่โลภไม่สบายแสนสบายคนไม่โ ก, กรธกับแฉนสบายความโลภมันดีเมื่อไรมันปรากฏมากน้อยมันเป็นไฟเผาอของไม่ เจ้าให้ได้เจ้าให้ได้นะดิ้นตายไปนะ่ะทั้งวันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับเพราะ <c oughs> ความโลกวนแล้วความเครียดแค้นเพราะไม่สมหบงังก็มีสิ่นมากระทบกเตอร์เตอกนก็เพิ่มก็อีก <c oughs> หมุนเป็นไฟไปเลยนะมันเป็นอยังไงนะทุกวันทนะุก ว, นวนันที่มันเป็นยังไงหาความสงบสงดัดมีน้อยมากแต่ เ, เรื่องศาสนาสกาัดถอนโลกหรือว่าเป็น เรื่องเป็นเรื่องโลคกระเทียมจะเป็นอาจเป็นชามังคีมัก็ไม่เป็นมันกลายเป็นโลกเป็นเรื่องโลคกระเทียเพราะผู้แนะนําต่าสอนผู้ประกาศทำเป็นคนเป็นครังกิเลจะเอาครังที่ทำมาจากที่ไหนให้คนได้เชื่อคนก็รุนนักถือนอกจากมันจะทําลายศ า, าสานาเพราะ โ, าาาโาานานการโฆษณาภูมิใจว่าตนรักษาศาสนาว่าตนถูกเสริมศาสนาอยแล้วนะคำกิงนี้มันทําลายศาสนานะ ทือว่าเป็นศาสนารวมประทันท่านั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมั น, น่นค่อยๆเป็นค่อยไปนอกจากปุถพานธีมีแต่หัวใจของคนที่จะยินดีต่อโลกปิถพานไม่มีใครยินดียิ่งกว่าอย่างทุกวันนี้ครับอะไรอาธทําไปไหนจะยิ่งดียิ่งกว่าเงินน่ะต่างต่างถ้าเราเป็นเงินแล้วเป็นกระดาษที่ทก็ก็เป็นของอัศจรรย์นะถ้าจะยีนาตามอาธรรมๆแล้วมันบ้าสดๆร้อนๆ น, นีน่ก็กระดาษาไม่เเงินอะไร มันจะเป็นบ้าขนาดนั้นเนี้ยพูดตามหลักธรรมชาตินะมนไม่น่าจะทำคนให้บิ่นตายไปจากตวัวนั้นนั่นเนี่ต่างคนต่างเสยขึ้นต่างคนต่างมันทำลายคนได้ของที่จะเราเสยขึ้นนั้นมันทำลายเราถ้าสติปัญญาไม่มีไม่เกรือกแบแกนอีกแล้วชิบหายเพราะมันให้ได้ทีดเดียวโกโภธรมานังปริปันโทขึ้นมา โลโภะอะไรตั้งจิงมันเป็นอันตรายความดีงามทั้งหลายธรรมานังคือความดีงามโลโะธรรมานังป็นปัญโทความโลกมันเป็นอันตรายต่อความดีงามทั้งหลายการปุ๋ยนี้เราไม่ประมานโลกเราก็อาศัยอยู่ในโลก แต่ความดินตายของคนมันก็อดพูดไม่ได้เหมือนกันนะผมัรู้อยู่นี่ยี่ยเห็นอยู่นี่คนดินตายเพราะความโลภบังคับมันเห็นอยู่รู้อยู่นี่ทุกชาติชั้นวรรณะบางนก็เสกเป็นแบบเดียวกันเสกเป็นแบบเดียวกันเระดาษที่เป็นเงินขึ้นมาแล้วก็หลอกกันเป็นบ้ากันรู้วเป็นกระดาษกันี้รู้ เงินเขาเป็นเงินเทินเขาเราให้รู้เป็นเนาให้มันเหนือสิ่งเหนือนั้นบ้างสิยาจะเอาเราไปเป็นบ่อยให้สิ่งนี้เหยียบหัวเราพูดหมายความว่าอย่างนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็ให้เรามีเหนือมันเหนือมันมันเป็นบริษัทสมบัติของเราเราจะุกจนใช้จะมากว้อยเฉยไรไม่ให้มันมาทับหัวเราได้มันเหยียบหัวเราได้อันนี้มันจะสร้างขึ้นมาฆ่าตัวเองสร้างมาฆ่าตัวเองเหมือนกับ คุยไม่ไผ่ก็เกิดขึ้นมาแล้วเราทำลายไม่ไผ่ทาลายตัวของมันเองความรู้ความสนใจความโลภความโกรความหลงมันเกิดขึ้นจ ก, กับโลกมันก็ทําลายโลกมันเลยเกิดขึ้นกับใครทาลายมันนั่นการข่มขวายไม่ได้ห้ามบูรีเจ้าทาก็ไม่ห้ามท่านรู้จักความไม่จับประมาณความเรารู้จักประมาณประมาณไม่มีมากมีเด่นมากนะไม่อยู่ทุกแขนทุกหุ่นนะทาบทนี้นะ ตัฒนาการศัทาสาธุเนี่ยปัมนูัญญารู้จับความหมาณรม่จักความมายมีเยอะนะความพอดีความรู้จักความายท่านท่านว่าให้สอนว่ามีเยอะรู้สึกว่าดาดเดินมากเลยหรอทำบุญนะครับขั้นก็คงจะโลกเป็นยังไง ที่ในสอความรู้จักประมาณก็เพราะมันไม่รู้จักประมาณเนี่ยมันโลรคจนจะจนตายเนี่ยเรียกว่อไรโรกจะของโลคจนตายมันันดีหรือความโลคนั้นมันทําคนให้ที่ผาไปปวงไเพราะความโลคนี้มีเป็นวนเท่าไหร่ความไม่โรคต่างห่างมันมีความสุูความสบายความหมายว่าอย่างนั้นมัตต์นิทานสุทาสาธุกวมรู้จักประมาณยังโดูต้องเด่นด้วยเป็นของดีเห็นไหมไม่มีโทษนะ แต่ยอย่างมเกื่อนใครเ้าว่าบ้าเนอ่าบานะ้ า, บาตะคนเราไม่เป็นบานะ้า <c oughs> นี่ยว่พนะูดเปคนรู้จักความ <c oughs> ความพอดีพงานหมุนติว้วหมือนฟุตบอลยังเคเที่ยวที่ไหนก็ลำบากหาปาหาเขาที่บำเพ็ญสมณธรรม น, น, นี่ก็ลำบากทุกวันนี้ เราอยู่แต่การวาดเหมันกัอยู่ในคุกในเรงอนจำในตารางนะประกอบความปังเพี้ยนที่ไหนเป็สะดวกสบายเลยันก็มันจะไม่มีว่างนันเลยนะทุกวันเนี่ยหายาก ม, มากนะแต่ก่อนเก้าวไปตรงไหนมีเท่านั้นยังสมัยผมนี้กําลังเล่นความตั้งเพี้ยนมันก็สะดวกมากอยู่คนะื อ, อไม่ขัดข้องคือเรื่องความสถานที่อยู่พักที่ไหนไปได้หมดอยู่ได้หมดเพราะมีแต่ป่ากเขาดัง ทุกวันไปอย่างนี้จะไล่จากนาเขาสวนเขาเต็มหมดมันไปยึดของนั่นหมดเลยนี่โด่งจากนี้ไปกี่ชั่วโมงกว่าจะพ้นดงใหญ่นี้ไม่ได่จนี้ดูสิราบเรียบหมดไม่ีเหลือเลย่แล้วที่ไหนๆกวนกันทําลายหม้อเพราะความโลภนั่นมันทําลายจากเด่นจากดังจับเด่นเออเอามาอะไร มันอยากมันกวนอยากมันเรียว่าอยากมันดิ่เอาดีนะกุศลธรรมะกุศลธรรม า, รรมารมนแต่ว่าพระกุศลธรรมารมนสอนะเป็นธรรมตัวพระอภิธรรมทมขั้นสูงขั้นยอดเยี่ยม กุศลธรรมะกุศลธรรม า, า, มาอาวียาครธรรมาท่านพูดถึงเรื่องทํามไม่พูดถึงเรื่องสารเรื่องบุคคลนี่พูดเรื่องจิตต้นร้วนเดียวเรื่องจิตเรื่องธรรมเรอล้วนนี่เรามันแยกมาเป็นตัวของเราจิตของเราธรรมของเราเก็เอากุศลธรรมาคือความสลาดสิครัตัวของตัวโม่เนี่ยให้มันฉลาดนี่อ ะ, ะอย่าลืมมากิเลสมันฉลาดกว่าเรานะถึงขึ้นในคลองหัวใจเราบีบคั้นหัวใจเรา เอาปัญญางเราเป็นกุศลธรรมมาความฉลาดของเราฟาดกันลงไปตรงนั้นเลยกุศลธรรมมาแล้วทำคนทำจิตจงคนให้ฉลาดนแล้วกุศลธรรมมามที่ทําคนให้โง่เี่ยไปทำเจตจำนพิพูดแต่เรื่องตั้งคิดมากหือจาปัญญาสร้างคาลาสร้างคาลปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปมีแม่ขึ้นมากนะ ยอดของอวิางจริงอันนี้ยอดของวัตจักรคือธรรมชาตินี่นเวลาปฏิบัติไปทําไมอิตเจ้าของนี่แหละไม่ได้ว่าใครหรอว่าตามความรู้สึกเจ้ของอมันที่ว่าอวิชชาปัญญาสร้างขารสร้างขาราปัญญาเนี่ยหนังมันคลิปั๊อปนะอวิชชาปัญญาสร้างขาราปัญญาอะไรอวิชชาปัญญาวิญญาณปัญญาประยัต อันเดียมิตรอวิชามจะตื่นชาญพิชาปัญญาสร้างข้าราอวิชชาปัญญาจินยาน่งอวิชชาปรญญาไปอย่างนั้นนะที่เวลาพิจารณ <ksam> <ะ>าแล้วมันรวมตรงนั้นหมดเลยแล้วเอาภาคปฏิบัตินี่เขาจับกันทีนี้เวลากขาเขียนไปเป็นตำหรับตํานางมาแล้วมันเกี่ยวโยงมันเป็นลูกโซ่ไปที่นี่ตามข่าวิชาแล้วฆ่าไปนนีตายที่มุมฝ่ ง, งไม่ประโยชน์เลย มันมีอันนี้เกิดมาเพราะอะไรเนี่ยมันเกิดอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรอันนี้มันหนุนอะไรอันนี้มันหนุนอะไรมันอยู่ในใจเนี่ยออวิชชาปัญญาสั้างขารมันหนุนให้เป็นสังขารสมุทัยเป็นหมาเหนไมนักหนุนยืนยันขึ้นมาเป็นสมุทัยเห็นไหมสับปัดสับพันอะไรมันเป็นสมุทัยสมุทัยเป็นหมาเห็นไหมเห็นไหมความหมายหนักอวิชชาปัญญาสั้างขารอวิชชาปัญญาิญญาียนนักจะนำมารวบอะไรว่าไปจงสุดขีดมัน มันหนุนกันไปอย่างนี้นันภาพปจิบัติเห็นอย่างนั้นจงสรั่งถึงเทวเมตตาจากรเทวสารุกะขัณฑสารสุเมโยโหติทั้งหมดนี้เป็นขมุทัยทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาเป็นผู้ผิดขึ้นมาทั้งนั้นของความหมายว่านวลามันมันร้อยกองร้อยกองกันว่าอวิชชาปยาสร้งกาลาสรางกาปยาลิานามยาปยานามารูปังเลี่ยนานี้เพราะอวิชชา เปิดร่งขาสร้างขาให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้กเกิด น, นามูนามูจะลักษณะเรื่อยไให้เกิดอยางเหมือนกับไปเทียวต่อแต่ความจงมันเป็นอย่างนั้นในภาคปฏิบัติจริ ง, รงเป็นอย่างผิวอันวิชาปัญญาสร้างข้าวอวิชาปัญญาวิญญาณอวิชาปัญญาน า, า, า, น า, นามูปังมันมาตรงนี้หมดเลยตัวเดียวเนี่ย้าให้เป็นอย่างนั้น มางเวลาดับมันก็ดับตัวเดียวนี่เท่านั้นเรามันไปที่หาดับอย่างที่บ้านนะดับตัวเดียวนี่หมดเหมือนกับถอนต้นไม้ขึ้นมาทั้งหลักแก้วแล้วพวดเยอะเลยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปดับไปทําลายอสังค a r สาขามันมันตายไปหมดเมื่อถูกถอนขึ้นทั้งขึ้นทั้งขึ้นทั้งหลักมันแล้วลากแก้วนอันนี้ก็ลากแก้วมันคือวิชาถอนพวดตรงตรงนี้แล้ว กาสังา่งคาลามิญารามิยาปัญญามไม่ต้องพูดพูดไปอะไรถอนตัวเดียวนี่เร็จเลยนี่ปัจจัยการนักเทศหนึองบางคนเคยพูดมาอาจารย์นักเทศนักเทศอริชาเทศอายศัพท์เยอะมากมเทศอริชาเล่า ก, ว, ากาว่าจะกี่วันไหมเราอยากเราหนีเคาะน้ำาที่บัด กุเทศยังเกือบตายวันนี้ยังมวเาือขงว่ากุเทศอาิเชาพออย่าโอพอไม่สนุกหนูันหนาวนนั้นเนื้อมันดูนีวะากุเทศูดถึงเดสังขารเดิมย่างยานเมืองเมงอ่สังขาวิชาไล่เข้าไปไล่เข้าไปนั่นมิตรเรื่องไล่อวิชาท่านั่นมาที่ว่าตะล่อมเข้าไปตะล่อมไปตีเข้าไปจนแต่รูปจนแต่รูปึงเวทนาสังานสังขารวิญญาณน่ตีเข้าไปดีเข้าไปเป็นอะไรไม่ใช่อวิชาเป็นอะไรจนกรั่งถึงวิชา ถึงอวิชามันไม่มีที่ไปมันหมอบอยู่ในจิตนะทางเดินน้ำมันก็ถูกตัดถูกขัดเองหมดไปทางตาทางรูกทางเสียงมันติ่มทอดทางจูกทาหูจมูกกยตาตังหมดเลยตาตัดหมดทางเดินสื่อสารทางสื่อสารของวิชาตัดหมดตันหมดไม่มีที่ไปมันรู้เท่ารู้เท่ารู้เท่านล้วมปล่อยวางไปหมดนี่ตามมันเข้าไปตามไปจนกระทั่งถึงจิตตาวิชากิตวิ กิดตาวิชามันคงไม่คงเล่นมา่อไรอืมกิดตาวิชาแท้เราไปคาดเอาวิชาเหมือนกับเสือโครง่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผี <c oughs> เราคาดาวิชา <c oughs> เวลาไปเจอวิชาจริงโอ้โหอืมอา ง, งานจักรวาลสูงเม่อไรอะไรนั่นอาศจะจย์เหมือนกันนะกระดิ่งที่เต้นเต้นๆพูดถึงอะไร อุปกิเ์ที่16อะไรนั่นจะเข้าขัน้นในการทส่สำคัญของคือมันเด่นกินตรงนั้นมันเด่นมากสว่างสวยกโะจุกง่ายเมืนอไรสว่าง่างแจ้งอยู่ภายนั้มันอัศาจรรย์ตัวเองสว่าง น, นั่นอหละวิชาแท้มันเป็นรูปเสือโครง่งเสือดาวเมื่อไรมันรูปนางงามจักรวาลนั่นแหละ ติดถ้ามีพูแน่ไว้ก่อนยังไงต้องติดแน่แน่แน่ไว้ก่อนอย่างที่ว่านไปเจอกแรแล่มกระลุ่เออยังเตะกันยี่เป็นเข้าไปเลยชาวจะเตะว่าเสี้สุญญาลุดสั่งขลายหลุดถูกสั่งขลายเราช า, นน า, นนานวมีญาณันหลุดถูกญาณเราชาวดับดั บ, ด, บดับเมื่ อ, อนี่ดับนั่นก็ดับดับดับดับ คือง่ายสุดเมื่อรากแก้วมันถอนขึ้นแล้วกิ่งก็ตายก้านสาขาหลอกใบมันก็ตายอะไรมันก็ตายเปลือกมันก็ตายไอ้ตายกระพี้มันก็ตายแก่นก็ตายกว่างกันมันคือไงคือถอนขึ้นมาแล้วจริงมาพูดนี่เมื่ออวิชามันดับอันนั้นก็ดับนนั้นก็เราอลั้นก็เหมือนเมื่อเราถอนต้นไม้ยังไขึ้นทั้งรากแล้วอกิ่งมันก็ดับอันนั้นก็ดับพันนาการนี่สิตัวใหญ่อะอันใหญ่มันตัวสําคัญถอนขึ้นมาแล้วรากแก้วมันพวดเนี่ อืถึงการสาขาดอกใบมีเท่าไหร่ดับดับดับดับนั้นดับนั้นดับนั้นดับงัวเรื่อยไปเลยนี่เวลามันมันเจริญอะไรมัก็เจริญหมดนี่อยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนปฏิบัติทำในรู้ได้เห็นอายุเราขนาดนี้แล้วอยู่ไปเฉยนั่นอยู่แบบจืดจืะเฉื่อยไปนั่นอะไร ชาตคันอยู่เคยคล้องมันมาตั้งแต่วันเกิดก็จะตื่นมันอะไรเนี่ยอะไรอะไรก็เคยเห็นเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาทั้งนั้นีแต่เรื่องหนุ่มทั้งนั้นนี่ไม่ตื่นไปหาอะไรเนี่ยเมื่อจาแจ้งเป็นไหมนี่ตื่นอะไรเหมือนตื่นเมื่อตื่นแจ้งตื่นอะไรเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์นู่เชื่องกินรถกลางถนนก็เป็นสิ่งที่เคยมาแล้วทั้งนั้นจําเก็ไม่ทราบจะติดอะไรกันนักหามันก็น่าจะ ตรงจะวางกันได้ไนะเพราะเคยมันลยตื่อนนอนขึ้นมาก็มีส ม, มาธิสมัครสมัครกับ เ, เรื่องที่เคยกันเป็จนตําเจมาตลอดอยู่แล้วแล้วตื่นมาเหนื่อยทั้เรื่องที่เรือมันกล่อมเลยขนาดนั้นไม่มีว่าอาหารนี่เคยกินแล้วอาหารนี่เป็นเดนไปแล้วสิ่งนี้เป็นเดนไปแล้วสิ่งนั้นเป็นเดนไปแล้วอืย <class> ุ่งกับมันทำไมอันนั้นเป็นเดนแล้วไม่ได้ว่าเป็นเดนไมเอีม่มไมเอีม่มไมเอิม่มไมเอิม่ไ ม, อมไปหมดเลย ติดดะเลยเดี๋ยวนั่งภาวนาล้วเป็นเด่นไปแล้วนั่งภาวนาสมาธิภาวนาจะเป็นถึงกลมเ น, นีือนเป็นเดน่นไปหมดแล้วเมื่อวานกูทำไม่ได้เรื่องเลยเมือ่อวัน่อนนี้กูทำไม่ได้เรื่องเลยมีได้เจ็บปวดแทบเป็นรักาวันนี้กูเข็ดก็่เป็นอย่างนั้นเายนี่แหละแต่เวลาเรื่องทำกูเข็ดมืว่วานนั้นแต่เรื่องกิเลสแล้วกูไม่เข็ดมาแต่ก็้หมดร้อยเลยจะหมูกูมีวางกันเลย หมูกูกำล้าได้เหมือนเเวอรอาเลยเอาเลยพอใจมันร้อจะหมูโอ้ทุกกรไม่ังาตาละเลิกละไป